Bangkok Radio Format โดยวิทยาแสงอรุณจ้าแล้วกลับ 4 ของรายการ Bangkok Radio Format แล้วนะครับ 2 คนแล้วก็ MSN นะครับ ช่วยกันสนทนา MSN ได้เลยหรือว่า SMS ก็ได้นะครับได้นะครับที่เบอร์ 422 1935 นะใครโทรไม่ติดก็ส่งมา เออกลับไปรากระทงด้วยแล้วเค้ามีชนีตัดหน้าไปร้อยก่อนอ๋อๆๆ นิดนึงนี่หมายถึงโทรไปแค่คุย 2 คําเหรอหรือยังเอออย่างอือแล้วให้ไป วันนี้ครบ 1 อาทิตย์อ๋อที่สิมาจะเล่าอืมแล้วแล้วฮะนิวคือโอ้โหน้องนิว เมื่อกี้คบกันเท่าไหร่เห็นนิวแล้วครับ 1 อาทิตย์ใช่มั้ยแล้วแล้วเจอหน้ากันยังพูดดัง ภาษาภาษาไม่สุภาพอ๋อก็ต้องไปสร้างมาใหม่เนาะไปพูดอะไรวันนั้นเข้าก็ได้พบกับคนที่คิดว่าน้องนิว ใช่มั้ยแหมเอออยากบอกผ่านรายการว่าอ่าสุซาโอเคงั้นขออวยพรให้น้องทั้งสอง เปิดมาเห็นหน้ากันช็อกตายไปเลยเออไม่เอาเค้าจะเป็นครับสวัสดีครับชื่ออะไรจ๊ะอัลโหลครับจ๊ะชื่ออะไร เอาประเด็นมาคุยว่าเป็นของเล้าเรากินยังพี่ไม่พอใจแล้วจะทํายังไงบอกสะบัดเข้าไปเลยก็คงต้องมีมีเวียนนิดอืออ๋อโอเคจับขาเหวี่ยงเลยก็ยังเคยเจอใครมามา ก็ยังไม่เคยมีใครรู้ด้วยแหละรู้เรื่องไม่รู้ว่าอะไรครับเออก็ยังไม่ค่อยโอเคแล้ววันที่ 10 ไปไหมเออที่ว่าไปก่อนบอกแล้ว อันนี้ช่วงกลางระหว่างพลางกลางเออนึกออกว่าเช่นตอนที่ตัดแล้วมีร้านเยอะๆอ่ะไม่ต้องมันก็บอกออกอากาศมันเป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยอืมเอาเพื่อนไปได้ใช่มั้ยได้เพื่อนไปคือคือ เป็นเป็นแต่ข้างน่ารักใช่มั้ยเออว่าต้องน่ารักต้องรีจิสเตอร์ด้วย SMS เท่านั้นเพราะต้องรีจิสเตอร์ SMS นะที่หมาย 422 1935 เท่านั้น 2 คน 3 คนจะ Facebook พี่ เราจะไม่เรคคอร์ดทีเดียวเราก็จะลืม 3 บาททั้งนั้นก็ลงไปแล้วก็ช่วย กันให้ร้านก็มีสตางค์ใช้พวกเราก็มีที่เที่ยวแล้วพี่วิทยาของ เออจริงเคยเค้าไปหาไงก็มีเซิร์ฟตอนสายก็พิมพ์ไปก็จะเจอหน้ายิ้ม 10 เจอกันแล้วก็น้องให้เค้าเป็น มันก็ไม่เชื่อขนาดนั้นพี่ก็คุยกันไปก่อนได้เป็นเพื่อนกันได้นะโอเคงั้นพี่เป็นกําลังใจครับอ่ะเพื่อนไปครับสวัสดีครับครับเมื่อกี้เมื่อกี้นัทออนนุชนนครับนนครับผมจะอยู่ออนนุชครับซอยอะไรครับ บางจ๊าบด้วยนะอยู่บางตากครับอืมน่าเจอพี่โหนกนะทางนั้นน่ะครับกด good bye นะอืมครับอ่ะจะคุยประเด็นมั้ยครับอยากคุยอยู่ครับอืมครับน้อง ก็เหมือนนะว่าเคยไปสัมภาษณ์นะคะเขาบอกว่าเอ่อคุณไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยเออหลังจากโดนกินไปแล้ว ไม่รู้ทรองอืมเสียดายมั้ยเออไม่อืมรับอ่าถือว่าทนทนได้แต่แรกนานเปล่านานละครับโอเคแล้ว ไม่อยากทําอ่ะไม่อยากทํามีมีเค้าใช่อืมแล้วเจอบ้างยังมาอย่างเงี้ยเออเพราะว่าพี่นัทเค้าก็ไม่อยากเค้า อยากคุยอยู่เออค่ะเค้าไม่ให้เบอร์หรอปิ๊กปิ๊กส่งสัญญาณมาว่านัทอ่อนนุชไม่ให้เบอร์นัทอ่อนนุชยังฟังรายการพี่ๆอยู่มั้ยให้เบอร์ ก็ไม่ได้บอกอ่ะไม่ SMS มาจะมีคนโทรไปบอกเออก็แล้วมันไม่คือ 422 1935 ฟังใช่มั้ยจําตัว ขอไปคนเดียวดีกว่าก็บ้างขอไปโอ้ยพี่น้องได้ครับคราวนี้ลานรูดดีโอเคขอบคุณครับเจอกันนะจ๊ะเออเลยคุณโอเพชรเกษมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอือปล่อยให้รอนานเลยจริงหรือเปล่าปั่นสิ มันมีขึ้นแล้วครับวันนี้อ๋อตายสิเอ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะอันนี้มีปัญหาทางเพศแล้วนะฮะอ๋อรอเล่นน่ะรอเล่นรอเล่นไม่ได้สิจริงเหรอจริงครับผมตายๆๆๆอย่างนี้ต้องรู้เกิดทางเพศนิดนึงนะครับเออเอาเลยพี่โน้ตเอาเลยเปิดการให้ ไม่เป็นไรแต่เค้าไม่เปิดเพลงจะเป็นไงเออผมอยู่ไปฟังได้ไงเออก็โทรมาด้วยนะนิ้วไปสะกิดโดน อ่ะแล้วฟังรายการเรารู้สึกยังไงบ้างครับแปลกประหลาดนะอาจารย์แปลกก็เออแปลกประหลาดดีฮะไม่พร้อมไม่ไม่เคยฟังแบบแนวแนวนี้มาก่อนแนวนี้แนวผีอ่ะเนาะแนวสยองขวัญน่าจะตัวเองก็สยองขวัญอยู่แล้วนะอ้ออ่าประมาณนั้นนะวันนี้ถ้าคุณ ตามตามสุมญาดองตามตามเว็บหรือไม่ตามตามเอ่อสถานๆพวกอย่างเงี้ยก็ได้ครับเออตายฉัน เงินเสียต่างถ้ามีถ้ามีเงินแรกก่อนอ๋อต้องพี่เราอยากได้จบๆไปสิใช่มั้ยทําไมจบใช่นะจบแต่ว่าผมเสียของรัก เดี๋ยวคือเคยการผมเคยจับได้ 6 ครั้งแต่ไม่เลิกโอ้โห 6 ครั้งแต่ไม่เลิกไม่เลิกแค่เจอ อ๋อนี่คืออารมณ์นางของเราก็คือเป็นคนชอบชอบใช่ค่ะใช่ของ คนนี้ถูกต้องเลยก็เลยจะทิ้งคนนั้นไปสเปกเลยอืมก็ทิ้งเลิกกันกลับทางไป ก็คือเอาไว้กินเล่นแต่ว่าถามว่าเอาไว้กินเล่นแต่ว่าถามว่าเหมือนเราเราไม่เคยมีอะไรกับเอ้าจริงๆครับกูสนรักรักมากก็เด็กคนนั้นน่ะ 2-3 พันแต่ อืมแล้วก็ marketing เหมือนเดียวคือไปกับเพื่อนก่อนด้วยก็คือตอนนั้นอ่ะโดนบัตรเครดิตทวงไม่ใช่คือคือบอกถ้า ขอให้อัปเอาหนังหน้ามาดูหน่อยอืมจําไม่ว่าไม่ว่าจําไม่อะไรโอ๊ยคือครับเท่านั้นเท่านั้น ให้นอนป๊อปให้เลยเค้าให้ด้วยอ่ะแล้วเลิกกันยังอ่ารู้จักแล้วมันขับไปกินปลาน่าเค้กก็เอารถมาล่อไงครับมันอยากได้รถของก็ ทันฐานนะก็เจอนักทักทายครับแต่เมื่ออืมอ่าประมาณนั้นก็เลย มาดูบัญชีที่หลังหมดหมดจริงๆกันในเอ็กเทรนเขาไปถือตั้งหมดนี่คุณหลงขนาดนะพี่น้องหลงหลงแบบหลงเชื่อว่างั้นเถอะคือเชื่อเชื่อรู้ว่ามันเป็นยังไง สอยคนได้สอยคนได้แต่ตัวเองทําครับฮะก็เลยรู้สึกว่ายายครับเกรนเนี่ยเฉยอืมแค่แค่โทรอืม จะไปให้เด็กคนนั้นคือมือถือให้จนู้นซุนี้ให้ก็เรียกว่าเมืองแก่ของกูนะมึง ไอ้อย่างเนี่ยผมผมเกลียดกับผมจริงๆนะใจผมเนี่ยไม่ชอบเด็กแบบที่ ครับแฟนเคยประกอบอาชีพนั้นมาแล้วเลือกแล้วแต่ว่าถามว่ามันมันมันทิ้นแรงใจผมคนมันผมเปิดเมลขอดูเนี่ยผมอ่ายืมก่อนยิ้มเมลก่อนก็ไม่คลั่ง ถ้าคือเปิดอืมก็พยายามนั่นตอนนี้คบกันมาปีกว่าแล้วก็โอเคเดี๋ยว ครับไม่ไสล่ะอืมนิสัยเขาโอเคมากคนนี้เหมือนเออก็จะครับผมครับครับจะมี ทำอะไรแล้วก็ให้มีสติเข้าไว้นะครับอย่าเหลิงเหมือนผมแล้วจะ กลับซีสนุกมากคนโชว์ที่ขึ้นที่วงกลมพี่วงกลมเพราะ อ๋อแลดูสะอาดสะอ้านผิวขาวอย่างเงี้ยก็ใช่อยู่เข้ามาจากดอยเนี่ยคุณเรียนอ่าใช่อากาศที่นี่ดีมากอย่างอืมเย็นมาก ดีๆอาคาเทสลบใช่เค้าจะสลบไม่ให้คนให้เราดูอ่ะก็ ด้านหลังฉากเนี่ยมันก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เป็นฉายภาพเป็นใช่ค่อนข้างดีออกมาใช่แล้วคนที่ วงกลมอืมมีอย่างอื่นเยอะแต่แม้ประเด็นคืนนี้ก็หลายคนอ่าถูกต้องไงเดี๋ยว อ่าอันนี้ Facebook เลยอ๋อได้โอเคครับโอเคเดินทางครับขอบคุณครับก็ไป SMS วงกลมคืออะไร เราบอกเยอะไม่ได้เดี๋ยวเขาจะว่าเราเดี๋ยวเขาหาว่าเราสนับสนุนนะใน Facebook พิพิธญาณนะครับก็มีสมาชิกเพื่อนๆๆชอบเลย ภวรักษ์ภวรักษ์ใช่มั้ยพี่อ่านผิดก็โทษนะวงเวียนชีวิตของตึ๊ดๆน้อยมากที่คู่กันไปพระเอกเหรอเออใช่น้อยคุณตาพ่านะ แล้วก็ชกมันสักเปรี้ยงแทนหน้าง่ากินมาเช่นกัน เขาบอกว่าพระจากคุณพระอาจารย์สีเหลืองนะครับถ้าต่างๆถ้าอร่อยติดใจอยากขอซ้ํานะเมืองนะอ่ะน้องเอ คงเป็นกรรมของเค้านะครับคงไม่เจอคนที่จริงใจด้วยเนี่ยคุณโมเมนต์นะครับโมเมนต์คุณ แต่จะนานจะเร็วเจ็บน้อยเจ็บมากเข้ามามันก็มีเลิกไปจะนานจะเร็วเจ็บอืมคุณธนากรนะก็ยังดีใช่มั้ยบาง แล้วไงครับคนที่พูดบ้างแชมป์ปี้นะครับแชมป์ปี้บอกว่าแสดง แค่อาหารว่างก็ตอบกลับไปว่าคุณก็คืออาหารว่างของผมเช่นกันชอบหนวดนี่ก็โอเคนะเค้าจะคุณอะไรนะเทจสิทธิ์ก็โอเคนะมันอยู่ที่ว่าจะกินเล่นครั้งๆคนนี้มาแนวนี้มาครับคุณแบงค์ เอ็กซ์เพรสอะไรนะคิกอะไรเนี่ยโอ๊ยหมดเวลาพอดีเลยนะเดี๋ยวใครที่ส่งเอฟเอสมา 2 คนปื้นเปืองต้อง